สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตบทที่23ข้อ26จนถึงข้อที่35สาสุภาษิตบทที่23ข้อที่2 6จนถึงข้อที่35โปรโดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุตรชายของเราเ อ, อ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถิดและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรา เพราะหญิงแพรยยาเป็นหลุมลึกและหญิงสัญจรเป็นเหมือนบ่อแคบนางมอบคอยอยู่เหมือนโจรและเพิ่มคนที่ไม่ซื่อขึ้นท่ามกลางมนุษย์ใครที่ร้องโอยใครที่ร้องอุยใครที่มีการวิวาทใครที่มีการร้องครางใครที่มีบาดแผลปราศจากเหตุใครที่มีตาแดงคือบรรดาผู้ที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าอางุ่น บรรดาผู้ที่ไปทดลองเล่าประสมอย่ามองดูเล้าอางุ่นเมื่อมันมีสีแดงเมื่อเป็นประกายในถ้วยและลงไปคล่องๆณนะที่สุดมันจะกัดเหมือนงูและมันฉกเอาเหมือนงูทับทางตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปล ก, แ, ปลกและใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลงเจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่กลางทะเลอย่างคนที่นอนอยู่บนเสากลางใบเจ้าจะว่าเขาตีข้า แต่ข้าไม่เจ็บเขาทุบข้าแต่ข้าไม่รู้สึกข้าจะตื่นเมื่อไรหร่เนอะข้าจะสแสวงการดื่มอีกพี่น้องครับในช้าวันนี้เราอยู่ในถ้อยคําที่17และ18นะครับถ้อยคําที่17และ18นั้นก็รวมความจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายของบทที่23เรามาดูครับว่าถ้อยคําที่17นั้นพูดถึงเรื่องอะไร ก็เป็นเรื่องของการเตือนให้ทำตามคำสอนของคุณพ่อโซโลมอนได้ให้โอรสของพระองค์ท่านนั้นเน้นหนักหนาครับว่าจะต้องเชื่อฟังทำตามคำว่าขอใจของเจ้าให้เราเถิดก็คือนำเสนอความคิดในค่านิยมของลูกตลอดจนค่านิยมและแนวทาง ที่พวกเขานั้นจะต้องติดตามและเชื่อฟังบิดาพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าขอใจของใครด้านหมายความว่าก็ต้องขอให้เขาเนี่ยเชื่อฟังติดตามและทำตามในตาและลิมนฟีบปากข้อนี้นะครับในข้อนี้มีความหมายก็คือว่ามีความสำคัญนะครับเพื่อที่จะเห็นและเพื่อที่จะพูด และที่สำคัญก็คือว่าเพื่อที่จะได้ยินนะครับเราจะต้องฟังคำของลูกคิดในสิ่งที่เขาพูดและให้เขาพูดในสิ่งที่ควรจะพูดพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแ ท, ท้จริงแล้วการเรียกร้องของบิดานั้นก็เกี่ยวข้องกับอันตรายทางเพศของลูกครับ ถ้าเราดูในข้อยี่สเราจะพบว่าพระเงินพีพได้บันทึกถึงหญิงชั่วอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือหญิงชั่วที่ยังไม่ได้แต่งงานประเภทที่2ก็คือหญิงชั่วที่แต่งงานแล้วพี่น้องครับตรงนี้เราเรียกว่าหญิงแพทย์สญาครับและหญิงสัญจรหญิงแพทยานั้นก็คือเป็นหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานหญิงสัญจรนั้นก็คือ เป็นหญิงที่แต่งงานแล้วเป็นหญิงที่ล่วงประเวณีครับทำผิดหญิงแพทย์สยาก็คือหมายถึงโสเพณีครับแต่หญิงที่แต่งงานแล้วก็คือเป็นหญิงที่คบชู้สู่ชายพี่น้องครับทั้งสองประเภทนี้ครับเปรียบประดุดดังบ่ก้นลึกทำให้เป็นการพ้นวิสัยที่พวกผู้ชายจะนีออกมาได้ครับพูดยังไงว่าก็เป็นบ่ลึกครับ นี้ออกมาจากความเร่าร้อนทางตันหาราคาได้ในในบริการครับก็จะได้รับผลร้ายที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุชนนะครับจำเป็นต้องเชื่อฟังบิดามารดาจำเป็นที่จะต้องทำตามและรักษาความบริสุทธิ์ เราจําเป็นที่ต้องแะมัดววระวังผู้หญิงล่วงประเวณีทั้งสองประเภทนี้นะครับคือพวกเขาเนี่ยสแสวงหาที่จะยั่วยวนและจับผู้ชายครับประดุดดังโจรพระพีใช้คําว่าโจรร้ายที่ซุ่มอยู่และเข้าจู่โจมอย่างทันควันเพื่อเพิ่มจํานวนเหยื่อของเขาพระกัมภีร์ตักเตือนนะครับไม่ให้ผู้หญิงล่อลวงผู้ชายและไม่ให้ผู้ชายถูกผู้หญิงล่อลวงในเวลาเดียวกันครับ เราซึ่งเป็นผู้ชายก็จะต้องไม่ล่อลวงหรือหลอกลวงผู้หญิงถ้อยคำที่18ครับอยู่ในข้อที่29ถึงข้อที่35เป็นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุราแอลกอฮอล์การดื่มสิ่งที่เมามมยที่มีเนื้อหายาวที่สุดครับนะครับตั้งแต่ข้อ29ไปจนถึงข้อที่35รวมทั้งสิ้น7 7ข้อด้วยกันครับและ พี่น้องครับที่นี่มีคําถามคําถามที่เกี่ยวข้องกับอาการความเมาครับ6คําถาม6คําถามที่เรียกร้องความสนใจเกี่ยวข้องอารมณ์ความรู้สึกนะครับมี 1. วิบัติ 2. ความโศกเศร้า3การทะเลาะเบาะแหวง่ง 4. การบ่นว่า 5. บาดแผลและ 6. ตาที่แดงก่ํารวมกันแล้วเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกปัญหาสังคมและปัญหาด้านกายภาพครับ รวมทั้งรวมกันทั้งสิ้นนะครับก็จะมี6กคำถามด้วยกันพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการดื่มเหล้าอางุ่นเพิมพีบรรยายว่าเหล้าอางุ่นนั้นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมันมีสีแดงมันเป็นประกายมันนุ่มประสาทสัมผัส ด, ด้วยสายตารสชาติแต่ในบ้านปลายมันจะเป็นเหมือนงูครับเพราะมันก่อผลร้ายและเจ็บปวดพอๆกัน ความมึนเมาหรือการดื่มสุรายังนำไปสู่ปัญหาทางด้านจิตใจด้วยจะมีประสาทหลอนเพราะว่าเห็นภาพนะครับผิดปกติความสับสนต่างๆนะสิ่งต่างๆทางด้านกายภาพนะครับคนเมาก็จะเดินไม่ได้เดินไม่สมดุลในความเมาไม้ของเขาเหมือนกับแล่นเรืออยู่ในทะเลและตัวเองก็กําลังอยู่บนเรือคนเมาก็ยังไม่รู้สึกเจ็บครับเมื่อคนถูกคนทุบตีครับ ผู้ที่เมายัางปรารถนาที่จะดื่มอีกฤธิ์ของเหล้าควบคุมเขาเขากลายเป็นทาสของเหล้าอางุ่นนี่คือสิ่งที่พระกมภีบรรยายไว้พี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาถึงแผ่นดินของพระเจ้าชีวิตของคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้น mm. ก็จะต้องบริสุทธิ์และดีขึ้นเรื่อยๆเรยพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย บ, อบาญมุกนะครับ ก็คือเรื่องของกามรมารมณ์เรื่องทางเพศและเรื่องของสุรายาเมาทั้งหลายนี้จะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อที่เราจะสำแดงชีวิตคริสเตียนที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าและเป็นพยานให้กับคนอื่นๆที่ไม่เป็นคริสเตียนว่าลูกของพระเจ้านั้นก็ละเว้นปลอดจากสิ่งเหล่านี้ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะ ระวัดระวังตัวไม่เกลือกลัวอยู่กับความชั่วความบาปของการล่วงประเวณีในขณะเดียวกันครับเราก็จะต้องมีชีวิตที่ไม่เมามายนะครับไม่เมามายในแอลกอฮอล์แต่ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอาเมน